ารรมัปฏิบัติตามธรรมวังแล้วนำไปปฏิบัติตามธรรมมีพู้พิจาสาทยายไว้เยอะแยะนทางที่ผิที่ถูกเลือกเลือกได้ชีวิตของเรานี่ยึของเราเหาะแกการเลือก ปตามธรรมวันไหนไม่เป็นธรรมไม่ควรจะเลือกจะทิ้งความไม่เป็นธรรมไว้ในกายในใจในชีวิตเราถ้ามีความไม่เป็นธรรมเกิดแบบขึ้นก็รีบแก้ไขปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ชีวิตของเราเกี่ยวกับ ทำตลอดเวลาการเวลาก็เกี่ยวกับชีวิตเราเช่นเวลานี้สี่สี่หานี้เป็นเวลาที่ปอดกำลังทบงานแล้จาการเตื่นนอนรักคว่มาไม่ได้ ปลอดไปก็ได้ชำวังกับปบปะแปะเ umm. ม an ื่อไดออกกำลังตีสี่ตีหนี่สุดลมหายใจเข้าออกสวดมนต์เพภณาพร้อมพกันทั้งพร้อมพ้อปนไปจะได้บริหารปลอดท้าเวลาตี่ห้านี่ ไปทำอย่างอื่นก็พลาดไปเสียแล้วเวลาก็เปลี่ยนไปแล้วปอร์ดก็พลาดไปแล้วไม่ไม่ไมด้สร้างสรรตามเวลาที่โปวดทํางานเหมือ น, นกับเพาะเวลาสามโงเช้าก็าต้องกินข้าวถ้ามากินข้าวในเวลานี้กับเพาะก็ผิดพลาดไปเสียแล้ว ระหว่าง6วงเค7องนี่ก็เป็นลมไส้ลมไส้กำลังบิดตัวขับถ่ายสิ่งที่ตกค้างของเสียอยู่ในลมไส้ผ่านไปจากกระเพาะแล้วระตกที่ลมไส้เจตอาหารก็ต้องหาวิธีขับถ่ายให้ได้ย่วง หกเจดดนาฬิกานี่ช่วงแปดเก้านาฬิกานี่ก็ต้องศินข้าวทานอาหารถ้าไม่ทานอาหารช่วงนี้เสียหายเวลาก็พลาดไปแล้วร่างกายก็ผิดพลาดไปแล้วหน้าตาจะเจอเกินวัย เล็บมือเล็บเท้าไม่ค่อยดีสีหน้าสีตาไม่ค่อยดีถ้าไม่กินข้าวให้กะเพาะตอนนี้กะเพอะกำลังทำงานกะพอะก็เสียหายบีบตัวอาจจะเป็นแผลในกะเพอะได้โอ้นี่เกี่ยวกับการเวลาเจี่ยวกับชุดเราท่านั้น ชีวิตเรามีรูปมีนามรูปนี้ดามนี้ไม่ใช่ส่วนตัวนอกจากส่วนตัวแล้วยังเป็นส่วนรวมจึงต้องมีหลักที่ปฏิบัติต่อรูปต่อนามต่อกายต่อใจนี้ให้ถูกต้องนำวงหลนี้ ต่อทยอยบริหันปอดว่วงเวลานี้ไม่ได้ไม่ใช่เวลา ง, ง่วงนอนเหงาชื้นเศ้าอะไรมันจะผิดแบบของกายของใจ ข, ของการเวลาทำชีวิตในสดชื่นทำพ้องกันไป ยิ่งเราเีหลักปฏิบัติยิ่งดีใหญ่ได้บริหารหลายส่วนทั้งทั้งใจทั้งรูปทั้งนามเมื่อรูปนามบริหารถูกต้องก็เป็นระเบียบวินยัย จิตวิญญาณดีระเบียบวินัยดีสุขภาพก็ดีไปเป็นรส่วนใหญ่เมื่อระเบียบวินัยดีก็เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช, มชนุนก็เป็นระเบียบพึ่งพาสัยกันได้สุขภาพดีก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าสุขภาพไม่ดีจะเป็นภาระปัญหาต่อคนอื่นคนอื่นก็ลำบากด้วย <c oughs> จะทอดทั้งประเทศชาติรบประมาณที่หยิบซื้อยาซื้อเครื่องบือราคาแพงๆสุขภาพไม่ดีแทนที่จะเอาเงินรบประมาณ มาพัฒนาส่วนอด่นก็มารักษาสุขภาพให้คนไม่จบไม่สิน้นอะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษที่เกิดกับกายกับใจงดเป็นสาปฏิบัติทำธรรม ม, มีสติของมชัญะเริ่มต้นได้ที่นี่มีสติเป็นกาย มีสธิไปในใจิตใจจะเลยเริ่มต้นที่ดีจับหลักได้ถูกต้องเห็นหมดสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดงใดีเกิดขึ้นที่กายที่ใจเห็นปมดถ้ามีสติสติเป็นหน้าโลกเป็นเจนตั้งไว้บอกผิดบอกถูกได้สำหรับผู้ปฏิบัติ ส่วนชวนตัวของผู้ปฏิบัติมีสิทธิของผู้ปฏิบัติต่อธรรมเปลี่ยนความไม่ดีให้เป็นความดีทุกโอกาสทุกเรื่องทุกเรานี่เรา่าสะดวกยึ่งเราได้ปฏิบัติมีติตประเด็งกายจะได้เห็นสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับปยกับจิตใจเวลกอด เยอะที่จะต้องพัฒนาปฏิบัติขายใจให้ดีให้งามจะได้เป็นกรอบเป็นกรรมให้ความดีสมงามเกิดขึ้นได้ใช้ความดีได้ใช้ความถูกต้อง ป, ประโยชน์ส่วนรวมตัวไป ป, ประโยชน์ต่อตนต่อไปให้ทาหน้าที่ให้ถูกต้องให้ดีที่สุด ชีวิตของเราเนี่ <c oughs> ยเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นบุคคลอื่นทั้งนั้นนั่นฉลวเกิดมาจากฟองไม่มีลูกมีพ่อมีแม่มีครูอาจารย์มีพีมีน้องมีธรรมชาติจิงเวทลมอะไรต่างๆเกี่ยวข้องกับ คนชวนใหญ่กับตัวเราด้วยยังน่าจะเริ่มต้นตั้งหลักตั้งแต่น้นมน้อยๆเพื่อจะไดใช้ความถูกต้องประยาวนานความถูกต้องที่อยู่ในกายในใจมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อญาติเป็นประโยชน์ต่อภาษาาสนา ความดีที่เกิดกับคนคนหนึ่งจะไม่จบไม่สิ้นนั้นกับพระพุทธเจา้าอุบัติขึ้นในโลกยังไม่จบไม่สิ้นเลยความดีจะไม่ขาดสายสะพานแห่งความดีสายนี้ยังต่อสามารถเดินไปให้ข้ามฝั่งด้วยตัวการู้ที่เดินตามเมื่อก่อนคง หลังจากที่มีนัำไปถึงที่ไม่มีน้ำได้อมเป็นเช่นนั้นเรื่องความหลงเกิดขึ้นเปลี่ยนต้นความไม่หลงเกิดขึ้นข้ามไปได้แล้วปฏิบัติตอมธรรมมีให้ข้ามก็มีไม่ข้ามกะลิวาจูตอมฝังในนั่นเองไปไม่ถึงไหน ก็เสียชาติที่เกิดมาเราในมันหยุดไปได้ยิ่งพวกเราเป็นนักปวดบริโภคกีบบอนมิเาบาเสวยหน้าสงฆ์และเพศชดของคนทั้งหลายเหล่าอื่นประโยชน์ตนก็เสื่อมประโยชน์ของคนเหล่าอื่นก็เสื่อมมันจะเป็นบาปมันเป็นการ ที่ตัวเองอยู่เสมอเตือนตัวเองอยู่เสมอการใช้ีวิตของเราที่เป็นนักปวดนี่หรือว่าคว า, ามนี่จะมาทิ้งความชั่วไว้ในกายจะมาทิ้งความชั่วไว้ในจิตใจแม้จะทิ้งความผิดพลาดในตามกาลเวลาตะวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ถูกต้องแล้วโอกาสของเราเพื่อทําให้ถูกต้องอย่างนี้ได้ทุก ไม่มีใครมาแย่งอาชีพก็ไม่ได้ทำไรทาํานางโดยู้อื่นไปที่เรื่องชีวิตเพื่อการนี่แต่ใช้ชีวิตนักปวดไม่ถูกต้องก็เป็นพิษเป็นโทษ เหมือนอยาคาที่จับไม่แน่เมื่อดึงขึ้นมาก็บาดมือทำไม่ไหนนี่เหมือนกันทำให้ดีก็บาดทำให้ผิดพลาดได้เป็นการหลกวงตัวงและคนอื่นแตาจึงมีโอกาสมองตนเสมอเวลาก็ทำให้เราได้ใช้เพื่อจะได้ พัฒนาชีวิตรเราเวลานอนก็นอนเวลาตื่นก็ตื่นมีนจิตวัดวิธีวัดประจําทุกวันแล้วก็สุธรณีก็อ้อมนวยให้เกิดการใช้ชีวิตได้สะดวกในความการทำความดี สิ่วดล้อมทําไม่ไหนทั้ำใ่้เราได้สะดวกการทําความดีพึ่งอาศัยเป็นที่พึ่งอาศัยได้ทําไว้ไหนนี่อุณใจผนหลักการใช่ยึดให้ถูกต้องเราจึงไม่ควรประมาทใช้เวลาให้เป็น ประโยชน์การพัฒนาตัวเองและคนอื่นเชิงอื่นวัตถุอื่นกรรมาฐานเป็นริงที่ปัจจัดตังทันทีทันใดผู้กรรมาฐา น, นวิภาวนาวิปจัจ น, นา โตกันไปในขณะเดียวกันนั่นไว้ที่หนึ่งเดือนหนึ่งวันเจวันถึงเดือนเจปีไม่ใช่แบบนั่นนัน แ, แต่ละช่วงต่อกันไปถึงตั้แต่เริ่มต้นทางากางที่สุดเช่นมีสติเริ่มต้น เห็นหลงเห็นวันหลงไม่เป็นผู้หลงคนเจอะหลงนี่นะว่เห็น ห, นหลงนะว่ามีชติไม่เป็นผู้หล ง, หลงหเ ห, ห, งหม็มนมสมาธิคนเจ้าความหลงเป็นปัญญาทั้งกรรมฐานภาวนาวิปัชนาการเปลี่ยนรายเป็นดีขยันรู้นี่เป็นภาวนา เปลนก็ไม่ดีให้เป็นความดีหรือว่าวิปัสนาทันทีตกันไปทันทีไม่ใช่ว่าอยู่กันลราที่เันเราเดินทาง9จาตละกก็ผ่านไปแล้วทางยาวไกลก็ชอนข้ามาแล้วถก้า9ต่ละ9้าถ้าหยุดมันก็ไม่ถึงไม่ไป กรรมฐานภาวนาวิปัจนาก็เช่นเดียวกันจนปัจจตังของผู้ปฏิบัติมาช่รอคอยได้ทันทียกหือขึ้นกิดลู้กรรมหือการกระทำตั้งไว้อาศัยก็หยันลูกมันจึงเกิดมีความรู้ เ้าเกิดข้ามก็ไม่มีความรู้เมื่อไม่มีความรู้ไม่ขยันรู้ก็ไม่มีความรู้ทีบว่าไม่มีวิปัสสนาวิปัสสนาคือมันล่วงพ้นภาวะเก่าล่วงพ้นภาวะเก่าเก่าทีว่าวิปัสสนาล่วงพ้นความหลงลวงพ้นความทุกข์ หลงร่งวงพ่นความไม่ดีไปชูความดีหังคนก็หลงจนตายโผจนตายทุกจนตายเป็นวัฏฏะสงสารเวียนไหวาตายเกินหลงเรื่องเก่าหลงแนวหลงอีกทุกเรื่องเก่าทุกแน่วทุกอีกไม่มีกรรมาฐานไม่มีภาวนาไม่มีวิปัสสนา วิปัจสนามนกับการใช้ชีวิตประจำวันจริงๆไม่ใช่รูปแบบเมื่อเราจจงข้าวไม่ใช่รูปแบบเป็นการกระทำเคี่ยวอาหารกืนแต่และคำมันเป็นการกระทำแต่ความอิ่เกิดขึ้นมาเองไม่ต้องไป เมื่อไหรมันจะอิ่มเมื่อไรมันจะอิ่ ม, ม, ไ, ม, มไม่ใช่ไปคิดแบบนั้นไม่มีประโยชน์เวลาจนข้าวไม่ใช่หาความคิดวานตอบมันอิ่มยังไงเมื่อไหรมันจะอิ่มมาแต่คิดว่างานขึ้นไปทีละรำมจะอิ่มเองเมื่ออิ่มมันก็บอกงานที่เคยน้องฝ่ายก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจะแยกปเป็นเลือดเป็นเนือ้อเป็นการสร้างสรรคไปชีวิต ในชีวิตขึ้นมาชีวิตอีกค่นหนึ่งคือศึกษาและทำเป็นคือเรื่องชีวิตก็เช่นเดียวกันในชีวิตชีวิตแบบนี้เหนือการเกิดเก็เจ็บตายชีวิตที่กินข้าวพ็ยังเก็ยังเจ็ บ, ย, บยังตายชีวิตที่ได้จากศึกษาและทำไม่เก็ไม่เจ็บไม่ตาย คือคำถามนี่เป็นให้กประการให้ชีวิตที่เป็นชีวิตพรหมจรรย์ที่ชีวิตไปสู่ความไม่เจ็ไม่เจ็บไม่ตายก็มันไปแล้วมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงไปแล้วชีวิแบบนี้ไม่เจ็ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายมาอยู่ในโลก มีสติมาไม่ถูกแบ่งแยกทูกซื่อๆแต่ว่าสติไม่แบ่งแยกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นพอใจไม่พอใจสติไม่ได้แบ่งแบบนั้นถ้าแบ่งเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่สติเจะแล้วคนไม่มีสติก็อยู่ในโลกคนเช่นนั่นก็อยู่ในโลกเี้ยวขาเกิดเจ็เจ็บตาย นิสติมันจะไม่แบ่งอย่างนั้นลู่ชื่อๆไปผาไปเลยสูงไปเลยเหนือไปเลยมันสุข ก, ก็เห็นวันทุ ก, ก็เห็นลู่ชื่อๆมันผีก็ลู่มันถูกก็ลู่มันสวงก็ลู่พุงจานก็ลู่สุ ก, ก็ลู่ทุ ก, ก็ลู่ ช, ชื่อแบบนี้เขาบอกนิสติปัฏฐานสติโคตรเกา่าสติ ก้าวหน้าจิพัฒนาเลื่อนชั้นไปสู่ที่อื่นไอ้พ่นมันจังยวพ้นจากที่อื่นหรือว่าหลุดพ้นสีมุดเป็นจุดหมายปลายทางอังเกิดความเจ็บปวนต่อมีค่าอะไรสำหรับผู้มีสจิตสีมุดปลายทางสีมุดหลุดพ้น ว่าอย่างนี้เรียกว่าสติปัฏฐานก่าวหน้าเราจึงต้องพึงหัดเอาตัวใครตัวมันความขยันก็อยู่กับเราเนาะนะใช่เป็นปัจจัยเป็นวัตถุอุปกรณ์ประกอบขึ้นมามีความพร้อทุกชีวิตได้ ได้มาแล้วในรูปได้น้ำมาแล้วทาาฉีขันหน้ามีทาดฉีคือปิดน้ำหลงไฟมีท่าหกคือเพิ่มกข้ไปอีกโอกาสทาดชองว่างไม่ได้รูปนี่ในกายนี่วิญญาณทาดคือความรู้อะไรได้จนหลอกให้เราได้ใช่ ขันทั้งห้าก็บอกเขาก็บอกเรานี่เราเป็นขันห้าเป็นกองมันเป็นกองเป็นหมวดเป็นกองทำหน้าที่เป็นกองเป็นแต่ละกองส่วนลูกก็เป็นลูกส่วนเวทนาสัญญาสึ่งขันพิยาณที่เป็นนามนั้นเป็นไม่ใชลูก หน้านกเกิดเรื่อยๆลูกเกิดทีเดียวเกิดปฏิทิศเกิดของอีกหลายพบหลายชาติต้าไม่รู้จักขันหน้าตามความเป็นจริงเรประยึดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับลูกด้วยเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมาอีก ตวกิเลสตัณหาเคยทวามเอกของโลกของโกดวามหลงขึ้นมาเองมันก็ไปกันใหญ่ใช่ผิดขอ้อหมายใช่เหรอใช่ผิดถ้าเราใช่ถูกต้องเป็นประโยชน์เหมือนมีดเหมนมีดดีๆคมๆไปใช่ผิด เขี้ยวควบเป็นมีดอะไรก็เหมือนกันที่เคยอยู่ในเรานี่รูปมาด้วยความบริสุทธิ์เวทนาเวทนาบ ร, ริสุทธิ์สัญญาสังขารวิญญาณสัญจรที่บริรสุทธิญญญญ์ให้เราได้ใช้ประโยชน์จากเวทนาสาัญญาสังขารวิญญาณถ้าหลุดก็หลุดตรงนี้ถ้าไม่หลุดก็ไม่หลุดตรงนี้ต้าหนัก เป็นพ บ, บเป็นชาติก็เป็นพ บ, บเป็นชาติที่นี่ถ้าหลุดพ้นจากพบจากชาติก็หลุดจากที่นี่ไปไม่เกะไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายก็ไม่เกะไม่เจ็บไม่ตายในที่นี่ถ้าเกะเจ็บตายก็เนี่ยตัวพาตายกับหน้านี่พาเกิดพาตายไม่หลุดพ้น เห็นจริงๆเห็นจริงๆเห็นรูปเป็นนามนี่เห็นขันห้านี่รื้อกรืนตัวนี้รื้อถนเหมือนพระเจ้าจแสดงทรรบันแรกอธมมาภาสิทธิ์พระกาชาทีสังสารัง สนทาพิสังอหนิพิจังเมื่อก่อนนี้ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ไปย้อนอย่างรู้แต่เล่นท่องเที่ยวไปส อ, สอนเป็ดในกาตาสงสอนก็คือเกิดจากขันห้านี้ไม่ใช่การเวลาปันเดือนปีพบชาติต่แล้วเกิดต่แล้วเกิดเข้าหลง ม, มันนะมันเรียกว่า สองสอนอเนกนชาตินับไม่ถ้วนเกิดจากขันห้านี่หลุดก็หลุดตรงนี้ไม่หลุดก็ไม่หลุดตรงนี้เป็นเช่นผมบางภูเขา เจ้าจึงบอกไว้ว่าว่าตัวโยกอุปราฐานกับลังห้าเป็นตัวทุกในท่อนี้แต่ว่าเมื่อเราลื้อถอนก็นหลอยกระจุกกระจายแยกแยะออกดูกแล้วไม่มีครับว่าตัวตนที่ไหนกันห้าก็หยุดไม่ไห้สงต่อ บอกคืนชูธรรมชาติทำใหม่ลูกสองต่อกันไปยื่นกันไปถึงอุปทานยืดมั่นถือมั่นสำเร็จของขนันธ์หน้าที่เขายื่นไปให้อวิชาคือใหม่ลูกเราจึงต้อง มาตรวจสอบโดยธรรมชาเช่นผมบางภูเขาขมมือเดียวแท้ๆปฏิวัติธรรมนะทุกคนก็มีบอกผิดบอกทุกอยู่แล้วหน้าฉีขันหน้าแยกดูก็มีรูปนินามรูปนี้นามนี่เมืม่อที่เกิดของทุกสิ่งทุกอย่าง หลักสูตรมากันมาศึกษากันดูเราอย่าไปอ้างอ่านหนังสอไม่ได้อย่าไปอ้างว่าเทวาาวาแกยถ้ามีการมีใจมีรูปมีนามนั่นแหละอ่านออกเันได้แล้วถ้าโกดมีความโกรธนี่ว่าอ่านหลักสูตรนี้ดู ความโกรธเพื่ออะไรความมาโกรธเพื่ออะไรอ่านออกตรงนี้แต่ทุกข์เพื่ออะไรความไว้ทุกข์เพื่ออะไรอ่านออกเรียกว่าปัญญารวมเราบรู้ในขันธ์หน้ากองสังขารนี่หรือว่าปัญญาไม่ใช่ปัญญาปไปจดไปจำปัญญาต้องเป็นการรู้แจ้งในเรื่องนี้ ไม่รู้แจ้งเดืว น, นี้จะมีปัญญาเท่าไหร่ก็กยังใช่ไม่ได้อาจารจ้องมีหลักสูตรอยู่แล้วหรือที่ไี้ก็อยู่กันเราเนี่เแหละหรือว่าสะดวกที่สุดการศึกษาปฏิบัติตามทมก า, ารแก้ความล้ายการแจ้ความผิดเป็นความไม่ผิดการแก้ความ ทุกประกวามไม่ทุกอยู่ที่ตัวเรานี่มีมาพร้อมกันมาในคราวเดียวกันพร้อมกันแจ้งกับแจ้งพร้อมกันไมาใช่คนละเวลาคนละสถานทีเ่เพียงพอเพียงพอเพียงพวกเราเป็นนี้เป็นเพื่อนกันเป็นหมู่รือ ว, ว่าสังฆา พุทธบริษัทหุ้นส่วนร่วมหุ้นส่วนกันเราลงทุนกันมาจะให้ขาดทุนได้ยังไงหุ้นส่วนหรือว่าบริษัท ม, มากผลนีผพานจเจริญขาดทุนก็ทำให้เกิดตกอบับไบที่ว่าขาดทุน ผิดพลาดมาเป็นสติปัญญาแทนกันหลายตาหลายขาหลายแขนหลายหาัวใจแทนกันตามความดีจะได้ตัวอย่างจากเพื่อนร่วม ง, งานเพื่อนผู้อาศัยวนเล่นกีฬาคนที่ เพื่อนชื่อมโลกเขาก็ดึงเราเพื่อนนางดึงเพื่อนได้การ น, น้ำมูชนะเอาชนะได้ทีมจิลาเราก็นำกันปางเห็นเพื่อนหลงเราจะปรรทนไม่หลงเพื่อนประมาทเราจะผู้ไม่ประมาท ดึงกันไปอากเดินทางด้วยกันชาติแล้วก็ดึงกันาปอย่าปล่อยกันทิ้งเมื่อได้ยินว่าเพื่อนไม่ดีก็ตักเตือนได้เมื่อเห็นว่าเพื่อนมาดีก็ตักเตือนได้บอกกันได้รักษามีดเพื่ประมาท ร, รักษาท็อปของเพื่อนผู้ประมาท นี่ตัวรรมาวินัยแล้วก็มีโอกาสได้พูดได้บอกกันทุกวันทุกวันแบบนี้อาวัดสชวนหมวนจบว่าแสดงธรรมตามเวลานาฬิกาชีวิตเราใช่ให้ถูกต้องต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่ล้ำไส จะทำงานก็ขับปถ่ายหาวิธีขับถายให้เป็นนิดสัยก็ถ่ายขับถ า, านล้นรับใช้ออกแล้วมีลาที่เพาะว่างน้ำใช้ว่างทานก็าหาันลงไปมันก็ย่อยได้ดีไม่ใช่ออยเมื่อไม่ทายเอามันก็ออกอาหารที่อยู่นน้ำใช่ไปย่อยอีกเป็นเลือดเป็นเนื้อหน้าตาไม่ดี สีไม่ดีปวดเฉียนเวียนหัวปฏิบัติตัวไขตัวมันรับไปชอบตัวไขตัวบันแทนมาบด่าจริงๆเรื่องนี้เวลาให้ใช่เท่ากันไม่ใช่คนเราเอาเปรียบกันได้กาบเวลาเนี่ยเราใช่ให้ถูกต้องเรามีการมีใช้ก็ใชใ้ถูกต้องเป็นประจำบัน ไปน่าจะสมควรเจอลานะอาับะพร้อมกัน